ไปหลงกับเขาหลอกว่าต้องแข่งขัน GDP ประเทศนี้ตัวเลขมากขึ้นเขาไม่ได้ทาเพื่อชีวิตเขาทำเพื่อ GDP มาแข่งกันว่าปีนี้เนี่ย GDP ใครมากขึ้นกว่ากันเอาตัวเลขตัวนี้มาแข่งกันความคิดแบบนี้มันก็เข้าไปในวงการการศึกษาหมดเราสอนลูกหลานเราเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้นะ เข้าไปในอินเทอร์เน็ตรู้ท่องโลกรู้หมดเลยคุณแม่อย่าพูดมากเต่าล้านปีนะไม่รู้เรื่องเห็นคุณเด็กมนไปนหลงว่าเขารู้ไงสร้างอัตราตัวตนสิ่งที่เขารู้นั้นไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเขาเองเลยเป็นความรู้คนอื่นทั้งนั้นแหละเห็นหมเด็กเราโง่หมดง่หมดแล้วทำยังไง แล้วทํำยังไงพวกคูกําลังทําอยู่แต่ไม่คาดหวังน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟแต่เหลือเวลาวันหนึ่งพ่อกูก็ทําวันหนึ่งเด็กไม่ต้องสอนเขามากเขาลาคาญผู้ใหญ่มัแต่ทะเลาะกันยังบอกว่าลูกอย่าทะเลาะกันนะก็ทะเลาะก็เห็นอยู่นั่งกินเหล้าอยุ่อย่ากินเหล้ามันไม่ดีนะก็นั่งกินเหล้าอยู่ไงมันจะมีน้ําหนักยังได้ยังไงส่งเขาเข้าไปในจิตส่งให้เขาไปเข้าในเว็บไซต์เขาหนะจิตสํานึกเขาจะหลุดขึ้นมานั่นแหละเขาจะเกิดเขามีปัญญาอยู่แล้ว ตอนนั้นเขาจะแยกแยะถูกผิดดีชั่วมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นคุณธรรมนะเพราะครูเคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยไก่มันออกไข่มันก็ไปฟักไข่เป็นลูกปุ๊บก็พาลูกมันไปเลี้ยงไปไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ป, ไ, ปไปเรียนรู้เรื่องทำมาหากินด้วยตัวมันเองเพอมันโตปุ๊บแม่ก็วางไม่ต้องห่วงทุกวันนี้เราวางได้ไหมเพราะสังคมเป็นแบบนี้เราวางลูกได้ไหมกว่ามันจะเรียนจบประคบประงม เอ้ยังไม่แต่งงานเลยเอ้แต่งงานแล้วมื่อจะมีลูกลูกอ่ามาออกลูกมาแล้วมีหลานแล้วหลานยังไม่โตด้วยยังไม่แต่งงานอีกแล้วเราจะหยุดได้เมื่อไหร่เพราะสังคมนี่มันไม่สร้างความเรียกว่า feel secure เราไม่รู้สึกมั่นคงเลย <c oughs> สังคมแข่งขันเสรีเรากลายเป็นโง่กว่าไก่วันดีคืนดีนี่ท้องก่อนวัก็ไปขโมยขอดแล้วก็ไปทิ้งที่สะพานลอยเห็นไหม เพราะความรู้บอกว่าเธออย่าเลี้ยงนะเธอจะเป็นพาระไก่มันยังไม่ทำเลยนะมนุษย์เราทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้ามนุษย์จริงๆเขาไม่ทำไก่มันยังไม่ทำเลยอันนี้เรียกว่าอะไรพฤติกรรมสัตว์เดรัจฉานไหมไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ทำอันนี้คือพฤติกรรมสัตว์นรก <c oughs> สังคมทำไมเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นไม่หมดแล้วนะเราเราไม่ระวังกันเน่ย อย่างที่โรงเรียนพ่อครูเนี่ยเด็กไม่ต้องเอาเงินไปนะไม่มีขายของให้เด็กเรามีร้านแต่ไม่ขายให้เด็กนะนะถ้าจะกินขนมกินด้วยกันหมดไม่ไปสร้างความเดือมล้อนให้เขาตอนนี้ไอเด็กบังเอิญชายแดนตรงนั้นมันไม่มีเด็กมีสตังหรอกมีก็มีเหมือนพ่อแม่ก็เป็นหนี้นั่นแหละอ่าไม่มีเงินไม่ยอมไปโรงเรียนทีนี้ไอนี่มีมีครั้งหนึ่งนะ มีเด็กคนหนึ่งมันาปลากระป๋องมากินในโรงเรียน น, ะน่ะนะเด็กมันนอกปากระป๋องเขาเหมือนคนในเมืองเรากินหูฉลามนะมันเอามาโชว์เพื่อนไงมันมีอาหารพิเศษมันขนาดนั้นนะเพรากูได้ยินข่าวเรียกผู้อุปการเรียนมาบอกเนี่ยห้ามาปลากระป๋องทําให้มันกินไอเด็กขอพักก็อยากกินปลากระป๋องอมันบอกไม่มันต้องการเอาไปโรงเรียนโชว์เพื่อนไง นี่คือการแข่งขันกระตุ้นเนี่ยให้เด็กมันติดวัตถุนิยมตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงล่ะเรามาสร้างสังคมความเหลื่อมล้ำให้เด็กไปติดวัตถุนิยมเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ช่วยคิดเนี่ยเด็กมันก็คือเด็กมันไม่รู้เรื่องเห็นไหมอ้างว่าเสรีจะได้ขายสินค้านะ เ, เออกรมตัว น, นั้นก็ถึงลูกตัวเองทั้งหมดนะลูกหลานตัวเองหมดก็องรวมใหญ่มันใหญ่จนกว่าที่เราคนใดคนหนึ่งคิดจะไปแก้นะ แต่ยังไงก็ช่างพวกครูออกมาที่นี่นะบางทีหลายปีก่อนเคยไปบรรยายถวายความรู้ของครูบาอาจารย์วัดม่อนฤษีเข้าปริวาสที่หนึ่งหกเจ็ด้อยสมัยก่อนเป็นพันเลยนะพวกคูมาช่วยอยู่สามปีแล้วนะนะก็พยายามจะแบ่งปันตรงนี้แล้วแต่ว่าจิตไม่เปิดนะติดรูปแบบอะไรต่างๆเราไปรักษาไอ้รูปแบบที่เรา สอนเด็กเนี่ยนะมันเป็นแบบเต่าล้านปีแล้วมันไม่ทันสมัยแล้วเนี่ยเด็กคนในสังคมก็ไม่มีไม่ได้คำตอบจากศาสนาเขาก็ไปออกจากนอกศาสนาไปอยู่ที่ไร้ศาสนาบ้างไปเราไม่ได้แข่งกับใครแต่คใช้คำว่าเสียดาย เสียดายเรามาเจอสิ่งดีๆแต่เราไปติดบ่วงเรื่องข้อปิด ย, ย่อยเรื่องรูปแบบตรงนั้นไปรักษารูปแบบรนั้นจนไม่มองว่ามันเกิดมรรคผลสาหรับคนในชาติหรือเปล่าคนในสังคมหรือเปล่านะเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นกับความเคยชินตัวเองที่นี่มันศาสนาไม่ตอบโจทย์แล้วคนรุ่นใหม่เขาจะมานับถือศาสนาให้มันเสียเวลาทำไม นะเนี่ยระบบการศึกษาเองเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งทีนี้เราสามารถจัดการศึกษาเราเองได้ไหมไม่มีทางตอนปี 4. สีศูนย์เศรษฐกิจล่มนะ่ยพ่อครูก็ออกหนังสือเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจออกมาเพราะสงสารทีนี้ก็มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกเนะพ่อกูก็ตามหรอกเพราะการศึกษาสาคัญมากคณาจารย์เราเนี่ย นักวิชาการนั่งประชุมในฟังใครพูดรู้ไหมธนาคารโลกส่งคนมาเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอดีตรัฐมนตรีช่วยประเทศแถวยุโรปนั่นแหละเป็นตัวแทนธนาคารโลกมาบอกว่าจากการศึกษาต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็แกล้งเอาเงินมาช่วยเรานิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเนี่เป็นเครื่องมือของทุนนิยมเท่านั้นเองนักวิชาการเราก็นั่งฟังคำสั่งของเขามันถึงเป็นแบบนี้ไง เราไม่กล้าจัดการศึกษาอะไรที่มันเป็นไทยสิ่งดีๆแบบไทยนะเพราะเราถูกความคิดแบบตะวันตกมาครอบงำเราแล้วก็เราก็ไปเรียนกับตะวันตกด้วยนะคือเราคิดนอกกรอบไม่ได้นะอันนี้พ่อครูเองก็เราก็จัดการศึกษาเองนะอยู่ในป่านั้นหนึ่งตบลหนึ่งแห่ง รวมกันแล้วเนี่ยเด็กประมาณ800รอคนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปีนี้มห้าเนะี่ยปีหน้าถึงมหแล้วขึ้นมาทีละปีทีละปีทีละปีทีละปีะปะปนะนะปีที่จะเปิดเนี่เป็นมหกก็ครบนะ <c oughs> ทีนี้ก็นั่งคิดเดียแล้วมันจบแล้วมันจะไป ย, ยังไงถ้าส่งออกไปปุ๊บเหมือนปล่อยเสือเข้าไปในถ้ำเลยเอกไปในสังคมเนี่ยนะไอ้ที่เราปูมาทั้งหมดนี่ก็เป็นศูนย์นะก็กําลังดูว่าจะทํำยังไง นะเพราะระบบทั้งระบบเนี่ยมันถูกบีบด้วยความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีแล้วนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็พ่อกูก็เลยว่าโอเคเราก็มาทําเท่าที่เราทําได้นะค่อยๆมาแบ่งปันความคิดโดยเฉพาะไม่ใช่ไอเดียนะไม่ใช่ความคิดแบบจินตนาการนะเอาความจริงมาแบ่งปันความจริงนี้คือมาแบ่งปัน ให้เรารู้ว่าอะไรคือชีวิตจริงๆอะไรคือตัวความสุขจริงๆเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะหน้าที่เขาจะมีแจกกระดาษนะพวกท่านใครมีคําถามอะไรช่วยจดไว้เรามาถามนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการรู้ไม่เหมือนกันนะและชั่วโมงต่อไปเพราะผมมีจังหวะก็จะจะจ ะ, จะแลกเปลี่ยนแบ่งปัน <c oughs> อันดับแรกเราต้องถอยเข้ามา รู้เรื่องชีวิตก่อนเมื่อเราเข้าใจชีวิตท่องแท้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะเริ่มจากรู้ตัวเองก่อนแล้วก็ไปรู้สังคมรู้โลกแล้วค่อยรู้ว่าเอ๊ลูกหลานเราควรจะเดินทางไหนซึ่งระยะยาวแล้วชีวิตเขาจะมั่นคงจริงๆแต่ตอนนี้เร า, ามั่นคงคือว่าต้องมีเยอะๆก่อนค่อยมั่นคงนะเยอะแค่ไหนก็ไม่มั่นคงเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง นะเราไม่สามารถชนะคนทั้งโลกได้แล้วตอบคําว่าเอ๊ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงเหรอเพื่อจะมาแข่งขันกันเหรอเห็นไมแต่ถ้าเราจอดลึกชีวิตเราเข้าไปลึกๆแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุกข์สถานเดียวแต่ตอนนี้เราเรียนวิชาเพิ่มทุกข์ไปแข่งขันให้มันมีได้มีเสียก่อนค่อยดารงชีวิตได้ การศึกษาก็เลยสนองตรงนั้นเลยนะสอนลูกหลานเราเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างทุนให้เขาเท่านั้นเองนะบางที่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาตั้งว่าเออคนนี้เรียนอย่างเดียวก็พออ่าถ้าเธอรู้มากเนะี่ยฉันจะควบทุนเธอไม่ได้เธอรู้เรื่องเดียวนะเมื่อเธอหมดส ม, มสรรถภาพแล้วเธอแก่แล้วฉันก็ปิ้วทิ้งปุ๊บฉันก็เอาคนใหม่นี คุณมีค่าแค่นั้นนะนี่เขาเรียกว่า IMPERSONAL IMPERSONAL ความเป็นผู้เป็นคนนี่ไม่มีแล้วเราเป็นแค่เครื่องมือในการสร้างทุนของเขาแล้วเขาก็าอ้างว่าถ้าเธอทำ ง, งานแบบนี้ล่ะเธอจะดำรงชีวิตได้นะลูกหลานเธอจะมั่นคงนเราก็ไม่แต่หนึ่งคนไม่กล้าคิดนอกกรอบตรงนี้น ะ, นะแล้วก็คิดไม่ออกไงเราเองแม้กระทั่งตัวเราเองยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครเลยเนี่ย ใช่เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะบริหารชีวิตตัวเองให้ถ re ูกต้องนั่นแหละการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะก็พวกครูก็ดูอยู่จะไปเป็นรูปค้งการศึกษาอะไรเนี่ยก็จับแพะชนแกะทำอะไรอะไรก็ยังวังวนอยู่ที่เดิมนะเปลี่ยนแค่เทคนิคอะไรเฉยเฉยเนี่ยนะ คือเป้าหมายมันเริ่มต้นการศึกษาเป้าหมายมันตั้งโจทย์ผิดมันไม่ให้ลูกหลานเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราเป็นคนไทยควรจะทํำยังไงถึงจะมีความทุกข์น้อยที่สุดน ะ, ะส่งลูกหลานเราไปเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาคิดยังไงเป็นสนองเขายังไงถ้าเธอไม่เรียนเธอไม่มีงานทํานะเขาจะไม่จ้างเธอนะนะ เราไม่เรียนเป็นเท่าแก่เองเนาะเราเรียนเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนเพื่อสร้างทุนให้คนอื่ น, นก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเพราะกูกำลังมองอยู่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นมนุษยชาติคนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาโลกเพราะใช่ชาวเมืองไทยนะว่าประเทศข้างบ้านอะไรเนี่ยเขาทามลภาวะอะไ ร, ะไรสารเคมีเต็มไปหมดเลยและกินมาถึงเราเราก็ตายเหมือนกัน ไม่ใช่อยู่ตามลำพังได้นะทุกวันนี้นะก็มนุษย์เราเนี่หลงว่าโลกมนุษย์โลกนี้ของฉันนะเออฉันจะทำลายล้างอะไรก็ได้เจาะน้ามันขึ้นมากี่ล้านาเลก็ได้ทำลายต้นไม้ทรัพยากรใดฉันทำได้เพราะเป็นโลกของฉันอันนี้ตัวกูของกูนิกำหนักนะมันเป็นโลกของสรรพสิ่งนะไม่ใช่โลกของมนุษย์ มนุษย์เรานี่ชอบขี้ตู่งาเราถึงสร้างกรรมใหญ่แล้วตอนนี้กรรมตดนนั้นเนี่ยกำลังตีมากำลังส่งผลเราแล้วเขากำลังปรับสมดุลของเขาอยู่นะมนภาวะเพราะกูก็ต้องใช้คำว่าเสียดายอย่างนั้นแหละเชียงใหม่เมื่อ27ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้อากาศบริสุทธิ์เย็นแล้วตอนนี้ที่อื่นร้อนที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันเมื่อวานเห็นบอก40องศาอะไรเนะี สมัยก่อนป่าไม้เราเยอะแถวนี้นะเราเย็นสบายไม่มีมลภาวะตอนนี้ไฟไม่ป่าอะไรพวกนี้นะเห็นไหมความเจริญนี่มันได้ไม่คุ้มเสียในแง่ชีวิตเราเนี่ยเสียหายมากๆแล้วก็ไม่ได้อะไรจริงๆเหมือนมันเจริญเจริญแล้วเจริญเป็นของใครล่นะมีใครบ้างมาจากกรุงเทพยกมือขึ้นโอเคมีเผ่าสมควรโอเคเพรากลแลกเปลี่ยนนะ พอครูถามคนกรุงเทพว่ากรุงเทพรถติดเนี่ยลิงหรือไก่เป็นตัวทําให้มันติดคนนั้นน่ะใครทําให้มันติดเออคนรถติดชอบไหมครับรถติดชอบไหมมีความสุขไหมไม่มีใช่ไหมเอาละ่ะสรุปว่ามันดีไหมมันไม่ดีถามต่อแต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ทําไมรถไม่ติด คนทุกวันนี้ฉลาดมากทำไมทให้รถติดทำให้ตัวเองทุกข์แล้วฉลาดจริงไหมความฉลาดมันคืออะไรกันแน่ความเจริญคือมีรถมากขึ้นอาคารบ้านเรือนมากขึ้นคนมากขึ้นความวุ่นวายเยอะขึ้นนั่นคือความเจริญโอเคนะเดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่มีสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งเนี่ยนะฟุตบอลเนี่ยมีสี่มุ ม, ม มุมที่1มุมที่สองมุมที่สามุ ม, มที่4ี่นะวันหนึ่งเราไปจับไอ้ทาซานเนี่ยเจ้าป่านะมาแข่งวิ่ง400เมตรกับนักวิ่ง400เมตรโอลิมปิกเริ่มจากมุมที่หนึ่งเราก็ชี้บอกว่าเป้าหมายคือมุมที่4ี่ใช่ไหมพอเรายิงปืนเปี้ยงไอ้นักวิ่ง400เมตรมันวิ่งมาทุ่มที่สองทาซานมันวิ่งมามุมที่4ี่เลยถามว่าใครถึงก่อนกันตอบว่าทาซานถึงก่อน แต่คนในสังคมเราบอกว่าไอ้ทาสานนี่โง่จริงๆเลยมึงไม่รู้จักกติกาสังคมไอ้ทาสานมันก็งงเอ๊มนุษย์พวกนี้มันบ้าไม่บ้าทางใกล้ไม่วิ่งไปวิ่งทางไกลพอเราสร้างปัญหารถติดแล้วเราก็ไปศึกษาวิชาการสมัยใหม่จราจรใช่ไหมวันเววันเววันเวน่ะนะเห็นไหมเราสร้างปัญหาสร้างวิชาใหม่มาแก้ปัญหาเก่าๆที่เราสร้างแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก นี่คือความคิดยุคที่มันแยกวิชาเรียนแบบนี้นะ่ยคนนึงสเปเชียลไหลในทางหนึ่งเห็นไหมคนนี้เป็นวิศวะออกแบบรถยนต์ต้องให้มันดีที่สุดนะเพื่อจะแข่งกับคนอื่นมันก็จบมาสถาบันเดียวกันนั่นแหละเธอเรียนโทรได้ฉันก็เรียนได้เธอเรียนเด็กฉันก็เรียนเด็กก็เท่ากันไงเห็นไหมทีนี้ก็ไปเรียนเออเมื่อกี้พูดนั้นทําไมแว บ, บมาเรื่องนี้ได้ที่บอกว่า บ้านเก่าพ่อคูนะที่อยู่ในซอยนะเออลุงคนนี้ขายเต้าส่วนข้าวหวยเนี่ยคนนี้มาใหม่เออไม่มีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไม่แข่งกันแต่คนยุคนี้เป็นยังไงไหมตอนนี้มีถนนเด็ดอุดมอุบม น, นะกาลังจะราดยางสมัยเก่านะพอลาดปุ๊บเนี่ยไอ้บริษัทน้ํามันอันนึงเนี่ยก็ไปนั่งกดไว้เดือนเออวันหนึ่งรถผ่านกี่หมื่นคันมุมนั้นก็อีกบริษัทหนึ่งไปนั่งกดหาข้อมูลเดียวกันนะนะโอ้ เปิดปั๊มน้ามันได้เธอก็เปิดฉันก็เปิดเปิดกันใหญ่เลยแข่งกันตายเลยแต่คนโบราณเขาไม่ทำเขาหาสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำน่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วก็เชียร์กันด้วยเห็นไมเออร้านนี้ขายข้อยปิ้งเออที่นี่มีส้มตำไหมนั่นนั่นมีมีมีมีเขาอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวเขาแก้ปัญหา ชุมชนด้วยนี่คือภูมิปัญญาแต่มันล่มสลายหมดละเห็นไหแข่งกันตายประเทศเธอก็ผลิตรถยนต์จธอก็ผิดรถยนต์เป็นรถยนต์รถยนต์มาจากไหนมาจากการทำลายทรัพยากรของโลกะบวนการผิดนี่ต้องใช้พลังงานเนี่ยเห็นไมป่าไม้ดีๆก็สร้างเขื่อนทำลายมันหมดกับไอ้ป่าไม้เนี่ยต้นไม้เป็นเครื่องมือผลิตฝนนะ เราทำลายเครื่องมือผลิตฝนเพื่อมาเก็บน้ำฝนตอนนี้มันแรงไปหมดเราคิดแต่จะเอาจะเอาเนี่ยบางทีเราได้ไม่คุ้มเสียเพราะครูต้องพูดเรื่องนี้เป็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นกับเวลานี้แล้วมันมีผลสำรับชีวิตเราแล้วเนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนว่าชีวิตเราคืออะไรแล้วกำลังอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะเราต้องรู้ก่อนรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเราจึงจะบริหารชีวิตตัวเองให้ทุกน้อยที่สุดเรายังไม่เป็นพระอรหรันราต้องทุกอยู่แล้ว ปวดฟันทุกไหมก็ทุกปวดท้องก็ทุกเนี่ยทุกแค่นี้ก็ทุกมากยังไปหาทุกเพราะอยากได้อยากอะไรเนี่ยมากมายเห็นไหมทั้งหมดก็คือเราไม่รู้จักชีวิตนะก็เราพูดเนี่ยชีวิตฟิตเนสก็ต้องพูดเรื่องชีวิตถ้าเราไม่พูดเรื่องชีวิตฟิตเนสเนี่ยบอกว่าฟิตเนสปุ๊บเห็นไหมวันนั้นมีคนแวะไปศูนย์กรุงเทพเราไงได้ยินคาว่าฟิตเนสเข้าไปดูไปดูห้องไหนในในในเครื่องมือฟิตเนส มองแต่เรื่องออกกำลังกายเท่านั้นเองนะนเห็นไหมล่ะเพราะครูถึงใช้คำว่าชีวิตฟิตเนสคุณต้องรู้ก่อนชีวิตคืออะไรไม่ใช่กายอย่างเดียวมีกายจิตอารมณ์เมื่อเช้านี้เราได้เต็มเ็มเลยทั้งสาอย่างแล้วก็เคลื่อนไหวแดนเซอร์ไซด์เห็นไหมออกกำลังกายโดยการเต้นลำไม่ต้องไปใช้เครื่องมือดีไหมไม่ต้องเสียสตังดีหมเห็นไหมกายก็เคลื่อนไหวออกกาลังกายจิตก็ได้ ดำเนินสติสมาธิเขากำลังมากขึ้นแล้วก็ไล่ริลิสอารมณ์ด้วยแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาอารมณ์โดยที่เอาสมาธิไปกดมันไว้ไม่ให่อารมณ์มันแสดงตัวแล้วก็สงบชั่วครู่พอเลิกปุ๊บมันก็วีนอีกเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เราสงบมันยังอยู่ที่ปะกูบอกเราแก้ที่ปลายเหตุเขาเรียกว่าหินทับหญ้ายกหินออกเนี่ยเชื้อหญ้ามันยังอยู่มันก็ขึ้นใหม่ ก็หลายปีก่อนมีอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขทีมใหญ่ไปเยี่ยมพระครูที่ศูนย์นะพระครูบรรยายเสร็จนะรู้สึกลองกลุ่มโรคจิตอะไรบ้งเขาก็ถามว่าเห็นบอกปฏิบัติฝึกจิตนี่บางคนเนี่ยเป็นวิกลจริตนะพระครูบอกไม่ฝึกจิตก็เป็นวิกลจริตคนบ้าล้นโรงพยาบาลเลยเห็นไหม ไม่ใช่เป็นเพราะมันฝึกมันเป็นนะไม่ฝึกมันก็เป็นไงใช่หไหทีนี้พ่อครูก็ถามว่ามีใครบ้างไม่บ้าในโลกนี้วันแรกมันหลงเกิดมามันก็แหกบากล้องเนี่ยบ้ามาเกิดเลยนะบ้าแล้วตั้งแต่วันแรกนะแหกบากล้องเลยเนี่ยแล้วก็ถามว่า ท, ที่เชียงใหม่เรามีชาวเขาเยอะนะเห็นไหม ชาวเขาเนี่ยเขาถือผีถือสางแล้วหาว่ามันหลงงม ง, ง, ง, งายไอ้พวกบ้าแต่ชาวเราเนี่ยถือสัตว์ถือสีแย่งกันถือราชพัชรเสริญทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้านะแต่ชาวเขาเดี๋ยวเขากลัวผิดผีเขาก็ไม่ทําชั่วเขาก็อยู่อย่างสงบเย็นแต่ชาวเราเนี่ยจ้านที่ตํารวจก็เต็มไปหมดสารอายการเต็มบ้านเต็มเมืองทะเลาะท่าเหมือนเราไม่ค่อยบ้าเนาะ คนเรามันบ้าหมดบ้าตั้งแต่เกิดแต่มันบ้าคนละอย่างสำคัญว่าจะทำอย่างไรให้มันหายบ้าไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้ต้องเอาความบ้าออกสถานเดียวเหมือนเอาลมกดไว้มันจะหมดหรือเปล่าไม่ต้องเอามันออกเหมือนรถคันนี้นี่ชื่อว่ากิเลสเห็น ไ, ไหมมันมีน้ำมันเนี่ยน้มันเนี่ยม เราก็สูบน้ำมันมันออกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อน้ำมันมันหมดแล้วเนี่ยรถกิเลสนี่มันเคลื่อนไหวได้ไหมนี่คือขัดเกลาจิตให้ผองใสไม่ใช่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิกดมันอยู่ตรงนั้นหละเป็นหลอกตัวเองสงบชั่วครู่ปัญญามันไม่เกิดเห็นไหมโดยเฉพาะเราอยู่ในชนบทบางทีเรามีมีซ่วมเขาเรียกว่าซ่วมซึมอะไรขุดหลุมอ่ะนะเห็น ไ, ไหม มันเต็มแล้วเนี่ไม่ใช่ไปกดมันเหม็นเหไปฝึกขันติเนี่ยสมมากขันแตกหมดนะสูมันออกสูมันออกเหม็นมากเลยต้องขันติเมื่อมันหมดแล้วมันก็ไม่เหม็นตลอดการนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่เป็นนั่งกดมันไว้ต้องเข้าใจคอนเซป์นี้เราถึงจะรู้ว่าเอ๊ะเราทําอะไรบ้าๆบ่ๆถูกแล้วเราเป็นคนบ้าไงบ้ามาตั้งแต่เกิดแล้วเรากําลังจะทําให้เราหายบ้า เอาอารมณ์บ้าเราเออกมาหมดเลยนะแล้วก็เรียนรู้กับมันเห็นไหมไม่ใช่บ้าชาติเดียวนะเราบ้ามาหลายชาติแล้วไงเราถึงสร้างกรรมใหม่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดทีไรก็ร้องไห้ทุกทีก็ยังมาเกิดอีกเห็นไหมคนบ้าขนาดไหนหล่ะนี่คือทางหายบ้าไม่ใช่กดความบ้าไว้นะ พราครูบอกแล้วว่าเราบุญเยอะมากไงนะเราบุญเยอะถ้าไม่เจอคําสอนที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เราก็บ้าต่อไปบ้าโดยที่เราไม่ตั้งใจบ้าเนีเราไปเข้าใจผิดว่านี่แหละคือชีวิตต้องทําแบบนี้ไงทุกคนก็ทําแบบนี้หมดไงพราะครูมาใหม่ๆนี่แรงมากนะคนเขาไปไม่ฟังไม่พอเนี่ยด่าพระครูด้วยนะนะเขอบอกคนทั้งโลกก็เป็นแบบนี้ไงแล้วพวกเราแบบนี้แล้วแบบไหนละ่ะ เ อ, อมีใครสุกบ้างจริงๆเราชี้ให้พ่อคูดอยหนึ่งสิไม่มีมีแต่ความสะดวกสบายสนุกสนานเพิดเพลินพอใจนะมีแต่กิเลสทั้งนั้นนะ่ะมันไม่ได้สุขจริงๆเห็นไหมอย่าไปอ้างว่าคนชนใหญ่เป็นงไงเขาต้องเป็นแบบเขานะ่พวกคูเป็นแบบเขา4ี่สปีไงแรงกว่าเขาด้วยทงหมดนะ ตอนกินเหล้านะลูกน้องไม่กล้าใกล้หรอกปุ๊บมันหายตัวหนีกลับบ้านเลยถ้าว่าใครพกกูเรียกมานั่งนี่ต้องคานหมดทุกคนนะเรากินขนาดนั้นนะบ้าขนาดเลยนะถึงว่ามันบ้ามาสุดๆไงแต่มันบ้ายังไงก็ช่างมันก็ยังทุกข์ไงมันไม่ได้แก้มันทําให้มันลืมชั่วข่าวนะเห็นไหมแล้วแก้ความเบื่อเราไม่ได้เลยไงเราทำอะไรบ้าๆบอๆเพื่อ ก, กบเกินความเบื่อเราท่า น, นั่นเองนะ มันเป็นกวนกบเกือนมันไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุเพราะวินาทีที่มันระเบิดปึ้งมันทำลายกล่องดำเลยเห็นไหมตอนนี้ความบ้ามันจะอยู่กับเราได้อย่างไรเราไม่มีวันบ้าอีกต่อไป น, นี่คือปัญญาปัญญาไม่ได้ไปวารู้มากไปจดข้อมูลไปจำข้อมูลและการศึกษามันสอนให้เราไปแค่เป็นนักจำนักจดนักจาจำจำจ ำ, จ ำ, จำ เพราะวนประเมินด้วยการว่าใครจําเก่งใช่มเด็กไม่มีโอกาสชิดนอกกรอบเลยน่าสงสารมากเจ็ดแปดหมวดวิชาอะไรกันนักหนานะนะแล้วก็เรียนเพื่ออะไรเพื่อประเมินว่าเธออ่านไ้ยเธอท่องจําไหมเท่า น, นั้นเองนะแล้วไม่ได้เอามาใชา้เลยอย่างนี้นะเมืองไทยเนี่ยพวกูว่าเราเรียนมากที่สุดในโลกแล้วล่ะเด็กมันเรียนมากที่สุดเลยจนถึงสุกไม่พอเสาทิศก็ไปเรียนเพิ่มอีกไง แต่คิดไม่เป็นมีแต่วิชาท่องจําไม่มีเวลาคิดไงเวลาที่เราคิดน่งคือให้มันเล่นมันเล่นกีฬาเล่นเกมอะไรก็เช่นหนึ่งคือเวลามันคิดมันคิดแก้ปัญหาไงอันนี้มันีเวลาจำจำจำเป็นนั่งฟังเล็กฟังเล็กเชิญจำจำจำอ่านจำจำอ่านอยู่นั่นนะ่ะแล้วมันจะคิดได้ยังไงไม่มีเวลาคิดเลยนะอันนี้เล่นเกมความคิดเราก็เล่นไม่เป็นนะแต่มีเกมนึงเนี่ย แล้วเกมนี้เนี่ยต้องแก้โดยหยุดคิดแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตอย่างเบ็ดเสร็จนะมีเกมหนึ่งเหนือกว่านั้นอีกนะนะที่พระพุทธองค์สอนเรานี่ะทุกวันนี้เราทุกเริ่มจากเราคิดทั้งนั้นแหละมนโนกรรมไงนะที่บอกวันนั้นบอกว่าเดกาศเน่นักปัชญาฝรั่งเศสเนี่ พูดคำนี้ดังไปทั่วโลก I think, there for e I am พระครูบอกว่าอันนี้ปลายเหตุ I am, there for e I think เพราะมีเราเราจึงคิดและไอเราตรงนี้น่มีความกิเลสไงเราถึงคิดไงคิดๆๆๆตอนนี้พระครูฆ่า I am ทิ้งแล้วเนี่ยไม่เห็นมันต้องคิดเลยยังมีส่วนเกินแบ่งปันมหาศาลเลยเห็นไหมเพราะมีตัวเราจึงมีคนคิด ก็ตอนนี้เราก็แก้ปลายเหตุนะว่าโอ้เราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นคิดบวกคิดบวกคิดบวกคิดโพสตีฟนะเห็นไหมเพิ่มความคิดอีกสนองความอยากชนะอยากได้อีกมันไม่ใช่แก้ปัญหามันแก้ปัญหาปลายเหตุอีกนะโอ้ยน้อยใจเสียใจเออช่างมันเถือนหน้าช่างมันเถอหน้าคิดบวกหน้าโอเคถ้าคิดได้ก็ กบเกิอนอารมณ์นั้นชั่วข่าวเหมือนถ้กินยายพารานั่นแหละแล้วสุดท้ายไอ้เชื้อที่มันกังวลมันก็ยังมีอยู่ไงอันนี้แค่ปลอบใจไงเราต้องเอาไวรัสที่ให้เราคิดลบออกมาเนี่ยแค่ไม่คิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกนั่นคือแก้ที่ต้นเหตุแล้วมีแต่คิดบวกคิดบวกนะนะคิดบวกก็ตันหานะาทุกวันนี้แก้แบบนั้นไงนี่คือวิชาการ นี่คือจิตวิทยาแต่ยังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงนะก็แปลกมากนะช่วงนี้เนี่ช่วงเราเนี่เป็นช่วงที่ยิ่งใหญ่มากหลายคนนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีโปรแกรมหนึ่งฮ a r v ว r d u n i v e r เ i t y เนี่ยเขาใช้เวลา70ปี70 y ว a r ีทำโปรแกรมเนี่ย หาข้อมูลว่าอะไรคือความสุขทุกๆเทอมเขาใช้เด็ก200อคนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยออกไปหาข้อมูลเนี่ยชุมชนข้างหมหาวิทยาลัยเนี่ยว่าความสุขคืออะไรคนรุ่นแรกที่เจสิปีก่อนเนี่ยทีแรกก็บอกว่ารวยมีชื่อเสียงทุกๆเทอมเขาไปหาปีนี้พราว่าเรายิ่งใหญ่มาก เป็นปีที่เขาสรุปผลโปรแกรมนี้70ปีสรุปคือว่ารวยไม่ใช่ความสุขมีชื่อเสียงไม่ใช่ความสุขความสุขเกิดจากว่าชุมชนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วมีเวลาเป็นจิตอาสาบ้างเห็นั้ย ah? ถ้าความสุขมีแค่นี้เราจะไปเรียนให้มันทุกทำไม เราจะไปดิ้นรนนี้มันทุกข์ทำไมฮารวาดนะสรุปแล้วเป็นอย่างนี้และหมอบัญชาเพิ่งรายงานพ่กครูเมื่อสองวันก่อนอยู่ด้วยกันบอกว่าเนี่ยเขาบอกฮาร์วาดสรุปอีกโปรแกรมหนึ่งว่าอนาคตชาติมีจริงพ่อคูบอกทำไมความรู้สึกชาจังเลยผู้เจ้าพูดมาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วนี่คือนักวิทยาศาสตร์ไงกว่าจะรู้แล้วนี่โลกนี่มันสายเกินไปแล้วถ้ารวยไปว่ามีความสุขในความรวยเกิดจากอะไร เกิดจากทำลายทรัพยากรของโลกมาผลิตสินค้าเนี่ยเพื่อขายให้มันรวยไงตอนนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วเห็นหนี่คือกรรมนะเห็นหเพราะครูไม่ได้บอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ดีนะขบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นะบวนการที่ถูกต้องนะหลักการวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องเชื่ออะไรง่ายพ้นคว้าวิจัยแต่เป้าหมายวิทยาศาสตร์ตอนนี้ผดดิดถูกครอบําด้วยวัตถุ น, นิยมทุนนะิยมนะเอาความสามารถเรามาผลิต เครื่องมือในการทำลายโลกอันนี้มันผิดนะวิธีปฏิบัติจิตเหมือนกันเนะี่ยวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดีเป้าหมายปฏิบัติเพื่อจะเป็นผู้พิเศษผู้อวดรู้นะผู้ยิ่งใหญ่อันนั้นคุณผิดแล้วคุณจะมีอัตตามากขึ้นแล้วปฏิบัติเพื่อเราพ้นทุกเงินนะ แต่เราปฏิบัติเพื่อเราจะเป็นผู้รู้มากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อันนั้นเป้าหมายเราผิดนะส่วนเป้าหมายถูกดีแค่ไหนโอ้ฉันไปนิพพานอย่างเดียวฉันชัดเจนเลยแต่ไปเจอวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็ไปไม่ได้สามอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเห็นไหมขยันมากเลยเป็นคนดีแน่นอนคนขยนันมีศรัทธาตั้งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทํานะ แต่มันเดี้ยวผิดตั้งแต่วันแรกล่ะมันจะถึงหรือเปล่าเห็นไม้มแต่ที่นี่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะมันถูกมันผิดนะไม่ใช่เขาว่ามันดีก็ดีไปเลยดีไปเลยเนะนะเรื่องนี้พ่อครูสนทนากับหมอบัญชาเยอะมากเขาเป็นนักวิยาศาสตร์เขาเป็ทางเน็ตบางินเข้ามาฝึกจิตเขาก็เข้าถึงจิตระดับหนึ่งแล้วปรึกษากันหมดหมอบัญชาเขาก็ เราเดินมาเขาเาเาเาไม่ใช่เห็นเห็นแค่ไข้นะเขาเห็นคนไข้นะเห็นจิตวิญญาณกับคนนี้เดินมาด้วยนะสมัยก่อนเห็นแต่ไข่ไม่เห็นคนอย่างคุณหมอประธานเราเนี่ยนะคุณหมอดีๆทุกคนไงคนไม่ดีเนี่สอบหมอไม่ได้เป็นหมอไม่ได้หรอกแต่ระบบสาธารณสุขเป็นแบบนี้ไงใครเข้าไปโรงพยาบาลไหนเห็นไม่เห็นห้องตรวจคนไข้ไหม มีแต่ห้องตรวจโรนะคนะคนโบราณเนี่ยเขาเห็นคนไข้ทุกวันแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยหมอโดยเฉพาะคลินิกเอกชนนะเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่ได้เห็นหมอบอกรวมทั้งหมอบัญชาด้วยนะหมอบัญชาเนี่ใจแกเนี่ไม่เอาอะไรละแกรอจังหวะที่จะไปอยู่กับพรอครูนั่นแหะแต่ตอนนี้เขาทําหน้าที่เขาส่วนคลินิกเอกชนที่ แกรับเชิญหลายหลายแห่งนี่ยเขาลงทุนมหาศาลเขาเช่าตึกแพงมากเขาจะเก็บถูกได้ไหมเขาก็ต้องเก็บแพงใช่ไหมเมื่อเก็บแพงเนี่ยเราเรียกว่าแรกเลือกเรียกว่าแพทย์ทางเลือกได้ไหมพราะกูบอกคุณหมออันนี้เขาเรียกว่าแพทย์ไม่มีทางเลือก <c oughs> คนจนไปได้ไหมนั่นแหละพราครูถึงขอเด็กไอ้รุ่นแรกพ่กคูนี่ยเียนมอหอยู่ลูกสามสี่คนนี่มันพอไปไเรียนแพทย์แผนไทยให้พ่อครูดูหน่อยนึง นะเรียนให้พ่อครูหน่อยหนึ่งแล้วพ่อครูจะเปิดแพทย์ทางเลือกนะฟรีนั่นแหละเป็นทางเลือก ม, มันมันมีมันไม่ใช่ใครดีไม่ดีมันถูถกระบบทุนนิยมมันบล็อกไว้ไงเมื่อเขามีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องมีรายรับแล้วเรวนี้หมอบิ๊กเนี่ยก็เรียนแพทย์มาดีๆก็ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้ก็รักษาแบบแพทย์ปิญหาไม่หายก็ไปหาแพทย์ทางเลือกแกก็ดีขึ้นแล้วไปปฏิบัติของเราเฟื้นเลยตอนนี้ภาวนาตัวมาช่วยพว่อครูก็ไป ลงทะเบียนเรียนแพทย์แผนไทยเพิ่มอีกนะเล่าให้พ่อครูฟังว่าเนี่ยเพื่อนจบมารุ่นเดียวกันแต่แกมาทํางานก่อนเพื่อนก็ไปต่อยอดวิชาปุ๊บวันแรกสมัครงานนะเดือนแรกสมัครงานเนได้เงินเดือนเดือนแรกนะไปซื้อคอนโดหลายสิล้านไปออกรถอย่าไปชื่อพูดยี่ห้อเขาเดี๋ยวก็ฟ้องพ่อครูนะสองอันนี้รวมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งต้องผ่อนส่งสามแ 0,000 น เด็กจบมาใหม่ๆบรรจุปุ๊บสามแสนตอนนี้ไปเก็บคนไข้าราคาถูกได้ไหมกลายเป็นแพทย์ไม่มีทางเลือกหลายคนถามพวกครูแล้วทำไมแพทย์อายุสัน้นคุณหมอไปที่ศูนย์เยอะมากเพราะว่าหมอเองเจอปัญหาสุขภาพก็แก้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องหมอดีไม่ดีนะก็หมอเรียนวิชาหนึ่งเนี่ยจะให้หมอรู้ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยทรงประชวรยังให้ คนอื่นรักษาลอยเลยนะเป็นแล้กเก่งคนละอย่างไงเห็นไหมล่ะหมอหลายคนบอกพ่อครูว่าตอนนี้เฉลี่ยคุณหมออายุห้าสปีตายละเ้ว เ, เรางงไหมคุณหมอเป็นวิชาที่รู้เรื่องสุขภาพสุขภาพมากที่สุดจะไหมแล้วคุณหมอทำให้ตัวเองอายุยืนไม่ได้เลยสิ่งแวดล้อมอ่ะ สารเคมีหรือว่าไอกระบวนการบบการจัดการเนี่ยดึงจะไปโรงพยาบาลประจําจังหวัดที่นี่เพราะคูไม่รู้นะแต่จังหวัดอุบล น, นะโอโ้โหโรงพยาบาลใหญ่มากเพราะคูเกิดอยู่ที่นั่นสมัยก่อนมีอาคารเดียวนี่สนามหญ้าเต็มไปหมดตอนนี้ไม่มีว่างไม่แต่หนึ่งตารางนิว้วทั้งเพระมันตึกสูงวันนั้นก็มีโอกาสไปเยี่ยมญาติธรรมคนหนึ่งแหะความดันขึ้นปุ๊บนี่เพราะคูไปเยี่ยมไปนั่งไปนอนรออยู่นั้นหลายชั่วโมงคนไข้เยอะมากหมอนี่ก็เหนื่อยมาก กว่าจะมาถึงคิวแคร์เนี่ยนะก็พนักงานก็เข็นรถไปเข็นไปต้นตึก8ดชั้นหเพราะครูก็ตามไปเนี่ยก็ไปใช้คำว่าต้องถ้าพูดภาษายัางไงมันถึงจะไม่หยาบนะ่ต้องยัดเข้าไปเลยเพราะามันเต็มหมดยัดไปตรงทางเดินไงเห็นหั้ยแล้วก็วางเอกสารเพียกเขาก็เดินหนีเจ้าหน้าที่เขาก็มีวุ่นวายเจ้ า, จาน้านักพยาบาลก็เหนื่อยมากถ้าเกิดเอกสารมันหายไปหมดนักพยาบาลก็คงตกกลนนั่นแหละ อาจารย์อ้อยนี่อนปริญาเอกนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ขอนแก่นนะนั่นแหละพับหนึ่งโอยอยโอยโอยอยปุ๊บตายไปสองคนก็อยู่ตัวนั้นหลทั้งคืนนะเขาเป็นมันเป็นโรคที่ฉุกเฉินนะความดันปุ๊บเนี่ยเลือดออกสมองเลยนะนะแล้วไอ้เสาเนี่ยไปนอนเฝ้าเนี่ยทั้งสองคนตื่นเช้ามาถ้าไม่มีวิชาเพราะกูเนี่ยหนูตายแล้วเพราะกูบอกเดี๋ยว เพราะกูจะไปตั้งชื่อห้องนั้นเรียกว่าห้องเพิ่มความดันแทนที่จะเข็นอาจารย์อ้อยเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ยังดีนะอาจจะฟื้นก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็อยู่ได้จิตมันหมุนตลอดบอกว่าแกเห็นแล้วที่แกมาฝึกตรงนี้แกได้อะไรถ้าสมัยก่อนแกตายจริงๆแกเป็นคนใจร้อนมากหมอหน้าสงสารไหมคือคือปริมาณคุณหมอเนี่ยกับปริมาณคนไข้เนี่ยมันมันไม่บาลานซ์ สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอวันนั้นพ่อกูก็พาเด็กๆอรุ่นแรกที่มันจะไปเข้าหมหาวิทยาลัยปีหน้านี่แหละไปเยี่ยมหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อุบลไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะห้าคณะอธิการบดีมารับเองเลยนะไอ้เด็กมันนอแค่เจ็ดปดคนน่ะนะ เ, เขาคงได้ยินข่าวพ่อครูแล้วล่ะทุกคณะคณะบดีมารับเลยนะ ทุกคณะเลยเนี่ยอยู่ในกล่องเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็ปี้เดียวกันเลยนะตอนนี้ถ้าปิดตาพ ก, กูเอาไปนั่งอยู่ทุกนั้นพน่พ ก, กูจำไม่ได้เลยคณะไหนนี่คือระบบวิชาการไงเป็นแพ็กเกจเลยแต่เราคนไม่เครียดให้รู้ไปนะเครียดหมดไปเจอสาธารณสุขนะบังเอิญคณะบดีก็เป็นเออเป็นสุภาพสตรีนะเออท่านก็อุตส่าห์เมตตาชี้แจงว่าสาธารณสุขนี่ เน้นป้องกันไม่ใช่รักษาเพราะครูก็บอกถูกแล้วไงนี่คือถูกแล้วไงแล้วทำไมบ้านเมืองไม่ทำสาธารสุขกลายเป็นสาธารณนา ท, ทุกทุก่วหน้าเนาะถ้าเราบริหารให้คนอย่าเป็นอย่าเครียดอย่าเป็นไข้เนี่ยคุณหมอก็ไม่ต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยเราคนเก่งๆนี่นะคนไม่เก่งนี่เรียนหมอไม่ได้นะมันมีข้อจากัดนะ ต้องขยันมากเลยเก่งกว่าคนอื่นเนะ่เราต้องพิเศษเขาถึงสอบหมอได้แล้วก็เรียนไม่ใช่ ง, ง่ายๆต้องตั้งใจมากเลยนะเนี่ยเราเอาคนเก่งไปแก้ป่าเหตุเอาคนไม่ค่อยเก่งเนี่ยเพราะครูก็มีโรงเรียนนะถ้าใครสอบเข้าอย่างอื่นไม่ได้ก็ไปเป็นครูนาะสอนให้คนมันโง่เนี่ยแต่ครูพรลานคอยเนี่ห้ามโง่นะจับมาเวียงเอนะ ไปบริหารจนเครียดหมดแล้วเป็นเกิดโครคภัยไข้เจ็บเ้วคนเก่งๆไปรักษาปลายเหตุบางทีก็ไม่ทันนะเห็นไหมห้องเพิ่มความดัน <c oughs> วันนั้นตายไปหกศพโอ้พักวัวอรู้แล้วแสดงว่าอาการที่อาจารย์อ้อยเนี่ยก็เป็นอาการที่เตรียมตัวตายได้แต่ก็ยังอยู่นะแกกลับไปอยู่ศูนย์แล้วนะ ถ้าเกิดจิตแล้วไม่มีกําลังเนี่ยเราจะสู้สภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ได้โอยโอยโอยมันหดหูใช่ไหยและคนที่มันกําลังจะตายมันไม่มันมันลืมว่าใครเป็นหมอใคร ป, รป็นพยาบาลน่ยมันด่าหมดเลยพรามันทุกข์มากไงอารมณ์มีหมดเลยตอนนั้นแล้วให้คุณหมอถ้าคุณหมอไม่ระวังนะไม่ทําให้ตัวเองแข็งแกร่งเนี่ยเราจะเผลอหลุดอารมณ์นั้นนะ่ะไม่มีคนไข้คนไหนนี่มันเข้าโรงพยาบาลฟ้อนลําดีใจจังเลยมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหลนะค่ะ ฉันดีใจจะเลยฉันปวดท้องฉันดีใ จ, จเนี่ยฉันปวดหัวมันอดควรมาทั้งนั้นแหละคุณหมออยู่กับสิ่งนี้ตลอดแต่ถ้าคุณหมอฝึกจิตนะคุณหมอได้เต็มๆ เ, เลยเราเป็นผู้ได้ให้นะกลับกันนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนั่นคุณหมอมีทางเดียวที่อายุยืนได้นะตอนนี้ทุนนิยมเขาจัดระบบหมอบัญชาก็บอกเองงถ้าไม่มีคนไข้แล้ว เขาก็ขายยาไม่ได้งไงเห็นไหมก็เชี่ ย, ยเห็นว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นมนุษย์เราตั้งโจทย์ผิดตอนนี้รู้ทั้งรู้นะรู้ทั้งรู้ว่ามนุษย์เราเผลอแล้วแต่ว่าหยุดไม่ได้ขี่หลังเสือแล้วไงไม่กล้าลงกลัวเสือมันกินก็ต้องรอระเบิดนะประชุมโลกเนี่ยประชุมกรีนพีซครั้งที่สมแล้วไงล่มทุกครั้ง นะประุมสี่ว่ารอม า, อมาเออประเทศไหนเนี่ยสร้างมลภาวะมากที่สุดต้องแบ่งเค้กกันไม่ใช่แบ่งเค้กเอานะคือแบ่งความรับผิดชอบต้องลงทุนแก้ปัญหานะล่มสลายประชุมล่มทุกครั้งแสดงว่าคนทุกวันนี้เนี่ยไม่เอาชีวิตจริงๆจะเอาผลประโยชน์แล้วก็ทำลายล้างโลกใบนี้ต่อไปเพราะกูชี้ให้เห็นว่าโอเคแล้วสรุปว่าพวกเราไปเปลี่ยนโลกไม่ได้หยุดกระแสกรรมไม่ได้ แต่ชีวิตเป็นของเราเราเตรียมพร้อมตัวเองได้นะอย่างเมื่อเช้านี้เราเตรียมตัวตายทุกวันอย่างน้อยๆเราต้องตายอย่างสงบนะใครไปอยู่ที่ศูนย์นะหลายครอบครัวนะเพราะกลัวว่าถ้าวันไหนใครตายเนี่ยถ้าตัวแข็งปุ๊บครอบครูไม่เผาให้นะทุกคนเบี่ยงกันมุ่งมั่นเลยเพราะกลัวตัวตัวมันแข็งนะทนะ่านอเราเผาเราก็ไปลอยอังคารปุ๊บอย่าไปทิ้งภาระให้คนรุ่นหลัง ถ้าจะกตันยูกตัญ ย, ตญยูตอนที่เขาอยู่ไม่ใช่เขาไปแล้วก็ไปไหว้ น, วนูนไหว้นี่รู้ได้ยังไงเขาไม่ไปเกิดอีกแล้วนะเอามันตอนที่เราอยู่ๆนี่แหละโดยเฉพาะการศึกษาตอนนี้เนี่ยต้องเน้นเรื่องกตันญูสําคัญมากถ้าเด็กมีกตัญญูเนี่ยเริ่มจากกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องกตัญญูแผ่นดินกตัญยูโลกกตัญยูธรรมชาติเขาจะมีสํานึก เขาจะมีสํานึกเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเขาจะกลัวว่าคนที่เขารักนั้นจะเสียใจนะต้องเน้นเรื่องกตันยูกตันยูกระตะเวทิตาจิตกรตันยูคือรู้คุณแล้วก็สนองคุณแล้วก็จะเกิดความรักชาติโดยธรรมชาติเพราะเรากระตันยูและเราจะไม่ทําอะไรที่เป็นคนที่ไปสร้างกรรมทําลาย เพราะเรากรตันอยู่แต่ตอนนี้ทิ้งหมดแหละมีแต่เรื่องสิทธิเรื่องอะไรเนี่ยมีแต่เรียกร้องจนลืมหน้าที่หน้าที่สําคัญที่สุดมนุษย์ประเสริฐกระตันอยู่เนี่ยคือสัญลักษณ์ของคนดีบางคนสอนลูกว่าลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะแค่ไม่ทําชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองมันจะดีได้ยังไงเราต้องพาเขาทําดี ทำดีคืออะไรคือให้ได้อาภัยได้นะกิฟพกก็คือว่าพาเขาไปทำดีทาดีแล้วก็ยิ่งพามาฝึกจิตจเจริญวิปัสสนาให้เขาเกิดปัญญานี่คือความดีอย่างยิ่งนี่คือความดีอย่างยิ่งเมื่อเขามีปัญญาแล้วเขาจะไม่ทำชั่วแน่นอนแล้วเขาจะมีส่วนเกินในการแบ่งปันถ้าสังคมปลูกฝังอย่างนี้แล้วไม่ทะเลาะ ก, กันนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่สอน มาใหม่ๆมาอเมริกาเนี่ยน้องขีพ่อกูก็ไปเดินอยู่ในหมู่บ้านโรงเรียนในหมู่บ้านเออแถวนี้มันจนทั้งหมดเลยไปขี่ไปไปเรียนมีเพื่อนน้องขีไม่มีแคนิ่งไม่มีใครกล้าทำเขาด้วยนะเด็กคนนี้นิ่งมากคนเก่งใจนตั้งแต่เด็กน้องดอนน้องชายลูกชายก็ไปนะเขาตัวใหญ่ที่สุดในห้องนะนะถูกเพื่อนรังแกบ้างเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเ อ, อ เพื่อนรังแกเขาตีเขาพรากูก็ถามลูกคนตีคนดีไม่บอกไม่ดีลูกเออถ้าเพื่อนตีดอนเนี่ยแล้วดอนตีเพื่อนคืนเนี่ยดอนก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมบอกใช่เขาไม่เคยตีใครเลยบอกเขาดีๆีไว้อย่าเล่นแบบนี้อย่าไม่ดีถ้าเขาไม่เชื่อบอกคุณครูเด็กสองคนนี่นินทาคนไม่เป็นตีคนไม่เป็นแต่ถ้าอยู่ในเมืองเห็นไหมมันตีหนู ตีมันเลยลูกกลัวลูกเสียเปียบมันตีลูกเราครั้งหนึ่งเราตีมันครั้งหนึ่งมันตีมาอีกสิบครั้งแทนที่จะเจ็บครั้งหนึ่งเจ็บสิบสองครั้งเพราะเรากลัวเสียเปียบไงเห็นไหมเป็นคนดีลูกเป็นคนดีให้ลูกไม่เคยพาลูกไปทำความดีเลยแล้วมาจุลูู ป, ป่าความดีคืออะไรความดีคือการให้ทานนั่นแหละให้ทานถ้าคนไม่มีกระตันอยู่มันก็ไม่ยอมให้ทานนะ เรามีสิ่งดีๆมากวิถีไทยวิถีพุทธเราเนี่ยมาจากวิถีธรรมมันดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่เอาเราเหอตามวิถีตะวันตกตอนนี้วันตะวันตกมีปัญหาหมดนะยู EU มีปัญหาอเมริกามีปัญหานะพูดถึงอเมริกาพ่อครูขอแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งพ่อคูเคยอยู่ที่โน้นสรุปว่าเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะ นะโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนซินเซียเขาเปิดให้คนทุกชาติเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเขามีเป้าหมายที่มันผิดทุนนิยมแข่งขันเสรหลีเท่านั้นเองนะไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่านโยบายที่เขาตั้งโจทย์มันผิดนะมันก็เลยพาให้โลกนี้ผิดไปหมดเลยนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราไม่ไม่บางอาจที่จะพิจารณาแต่เราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น รู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแล้วทีนี้ก็มาเซตอัพตัวเองว่าเราอยู่ในโลกนี้อยู่แบบไหนที่เราจะเจ็บตัวน้อยที่สุดนะคนวบรานเขาบอกว่าธรรมะรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมไม่ใช่คนประพฤติ ธ, ธรรมนี่เป็นคนวิเศษวิโสไม่ใช่ส่วนมากคนเข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะปีกวิเวกไปอยู่ในจุดที่ห่างไกล โดยเฉพาะศูนย์พาราน่อยตรงนั้นเพราะกูว่าถ้าเกิดศึกสงครามแล้วเนี่ยเขาคงไม่เอาวุธนิวเคลียร์ไปยิงไปตรงนั้นเนอะมันคงเปืองมันไม่คุ้มเนาะมันเป็นหลักธรรมชาตินะยิ่งยุคนี้เราแย่งวัตถุกันในเมืองเนี่ยโอ้โหเกิดกีรยุคไปหมดเลยไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะนะเพราะเราปลูกฝังไอ้ตัวอยากได้ <c oughs> จนขาดสมนึกนะอันนี้เล่าให้ฟังนะ วพวกกูอยู่นิ่งๆเนี่ยพวกกูก็มองออกมาเนี่ยโลคเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่โกคนจักรวาลก็เปลี่ยนนะพาทิศร้อนขึ้นโดยตัวเขาเองไม่ใช่แค่โลกร้อนน่ตัวพายทิศเองก็ร้อนขึ้นนะทุกอย่างกำลังปรับสมดุลขนาดใหญ่เลยตอนนี้น mm ั hmm. น่นแหละเรารู้ข้าวๆแล้วไม่ต้องวิตกจริตใช้ชีวิตแบบปกติแต่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่จากที่เราทุกข์เปลี่ยนให้เราไม่ทุกข์ ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทำหน้าที่อย่างมีความสุขอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราทําได้แค่นั้นนะอย่าไปคิดแบกโรกเพราะคูบอกแล้วกังวลห่วงใยเป็นหตุแล้วกังวลห่วงใยแค่ไหนเราก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นโอเคนะเมื่อกี้ดูนาฬิกาแล้ว ม, มันได้เวลาละก็พักกันสักหานาทีเข้าห้องน้ําเชิญครับแล้วก็มาปฏิบัติ